พระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สิบสามสุตตันตปิฎกอังกุตตานิกายอัฏกะนิบาตชุมนุมธรรมะที่มีแปดข้อบรรณสกะหมวดห้าสิบวที่หนึ่งเมตาวักคว่าด้วยเมตตาตรัสแสดงอนิสง์ของเมตตาแปดอย่างคือหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้าย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 คือหนึ่งอาศัยศาสดาหรือเพื่อนปรมจารีที่เคารพตั้งความละอายความเกรงกลัวตั้งความรักความเคารพสองอาศัยท่านที่เล่าเข้าไปหาไต่ถามเป็นครั้งคราวท่านก็ช่วยจีแจงให้คลายความสงสัยสามฟังธรรมะแล้วหลีกออกทั้งทางกายทางจิต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 ยอมชมเชยภิกษุเช่นนั้นตรัสว่าภิกษุประกอบด้วยธรรมะแปดอย่างย่อมไม่เป็นที่รักที่พอใจไม่เป็นที่เคารพสันเสริญของเพื่อนปรมจารีคือสันเสริญผู้ไม่เป็นที่รักติดคนที่เป็นที่รักอยากได้ลาภอยากได้สักการะไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อ บ, บาปมีความปรารถนาลามก มีความเห็นผิดฝ่ายดีคือที่ตรงกันข้ามและได้แสดงในอื่นอีกโดยเปลี่ยนข้อธรรมะเล็กน้อยตรัสแสดงโลกธรรมคือธรรมะประจำโลกแปดอย่างคือลาบไม่ใช่ลาบยศไม่ใช่ยศนินทาสันเสริญสุขทุกข์ซึ่งปุถตุชนไม่รู้เท่า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 ถึงพระรัตนไตรเป็นสระตลอดชีวิตตรัสแสดงธรรมะแก่ศีหเสนาบดีถึงเรื่องที่มีผู้กล่าวหาว่าพระองค์เป็นอากิริยาวาทะคือผู้พูดว่าทำดีทำชั่วไม่เป็นอันทมเป็นต้นโดยทรงชี้แจงว่าพระองค์สอนไม่ให้ทำชั่วเป็นต้นศีหเสนาบดีเลื่อมใสแสดงตนเป็นอุบาสก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 รังเกียิการประกอบด้วยอากุศลละบาบธรรม 4. มีความยินดีมีความอยู่ร่วมเป็นสุขไม่ข่มขู่ภิกษุอื่น 5. เปิดเผยความพยศคดโกงแก่พระาศาสดาหรือเพื่อนปรมจารีซึ่งท่านเหล่านั้นย่อมพยายามแก้ไข 6. เป็นผู้ศึกษาโดยคิดว่า ผู้อื่นจะศึกษาหรือไม่ก็ตามเราจะศึกษา 7. ไปโดยทางตรงคืออริยามรรคมีองค์แมีความเห็นชอบเป็นต้น 8. ปาราลบความเพียนตรัสแสดงม้าที่มีโทษ8ประการเทียบด้วยบุรุษที่มีโทษ8ปประการโดยแสดงถึงม้าที่สั่งการอย่างหนึ่ง แต่ทำไปซะอย่างอื่นเปรียบเหมือนภิกษุที่ไม่ดีต้องอาบัตถูกตักเตือนก็กล่าวว่าประลึกไม่ได้คือจำไม่ได้เป็นต้นตรัสแสดงมนทิน8ปประการคือหนึ่งการไม่ท่องบนเป็นมนทินของมน 2. ความไม่ขยันเป็นมนทินของบ้านเรือนสา ความเกียดร้านเป็นมวลทินของผิวพันธ์สความประมาทเป็นมวลทินของผู้รักษา5ความประพฤติ ช, ชั่วเป็นมวลทินของหญิง 6. ความประณีตเป็นมวลทินของผู้ให้ 7. อกุศลละบาปธรรมเป็นมวลทินทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 8. อาวิชชาเป็นมวลทินอย่างยิ่ง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 หญิงชายย่อมปูพันกันด้วยอาการแปดประการคือรูปการหัวเราะการพูดการร้องเพลงการร้องไห้อากับปกิริยาของขวัญและผัสสะตรัสตอบเท้าปหาราทะผู้เป็นจอมแห่งอสูรถึงการที่ภิกษุทั้งหลายยินดีในพระธรรมวินัยนี้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 2. พระสาวกย่อมไม่ล่วงละเมิสิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเปรียบเหมือนมหาสมุทรซึ่งมีความหยุดเป็นธรรมดาไม่ล่วงเลยฟังไปสงมสงย่อมไม่อยู่ร่วมกับบุคคลผู้ทุศีนย่อมประชุมกันยกออกจากหมู่แม้เธอจะนั่งอยู่ใน่ามกลางสงก็ชื่อว่าไกลจากสง เปรียบเหมือนมหาสมุทรที่ซัดซากศพเข้าสู่ฟังโดยพลันสี่วันณะสี่เมื่อบวชในพระธรรมวินัยนี้ย่อมละชื่อและโคดเดิมถึงการนับว่าเป็นสมณะสักยะบุตรเปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่ต่างๆเช่นคงคายามุนาเมื่อถึงมหาสมุทรย่อมละชื่อและโคดเดิมถึงการนับว่าเป็นสมุทร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 เป็นรถเปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรถเดียวคือรถเข็ม 7. พระธรรมวินัยนี้มีรัตนะเป็นอันมากเช่นสติปฐานสี่เป็นต้นจนถึงอริยมรกมีองค์แปดในวงเล็บโพธิปักกิยธรรม37เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรัตนะมากเช่นมุกดามนันีไพฑูรย์เป็นต้น แปดพระธรรมวินัยนี้เป็นที่อยู่ของผู้ใหญ่คือโปรโสดาบันท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิผลจนถึงพระอรหันต์ท่านผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตผลเปรียบเหมือนมหาสมุทรเป็นที่อยู่แห่งสัตว์ใหญ่มีปลาติมิติงมิคละติมิรามิงคละอสูนนาคคนทันหมายเหตุ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 เมื่อมัจฉิมยามล่วงแล้วพระานนท์กราบทูลอารัธนาอีกก็ทรงนิ่งครั้นปัจฉิมายามล่วงแล้วจะรุ่งอรุณพระานนท์กราบทูลอารัธนาอีกจึงตรัสว่าบริสัทไม่บริสุทธิ์พระโมคคัลลานะพิจารณาดูก็ทราบว่ามีภิกษุทุศีล น, นั่งปนอยู่ในที่นั้นจึงว่ากล่าว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 ตรัสแสดงเรื่องความอัศจรรย์ของมหาสมุทรแปดประการเทียบกับความอัศจรรย์พระธรรมวินัยนี้ดังที่ตรัสแล้ววักที่สชื่อกหะปฏิวักว่าด้วยข้ารหะบดีอุคคะข้ารหบดีชาวกรุงเวสาลี เรียนแก่ภิกษุทั้งหลายถึงความอัศจรรย์แปดประการของตนคือ 1. เห็นพระผู้มีพระภาคแต่ไกลก็เลื่อมใส 2. เมื่อเข้าเปเี้าได้ฟังอนุปปิกาถากับอริยสัจสีก็ได้ดวงตาเห็นธรรมถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะสมาทานสิกขาบทมีพรหมจรรย์เป็นที่ห้า สำหรับข้อนี้น่าจะหมายความว่ารักษาศีหายกข้อสคือประพฤติผิดในกามออกเลื่อนข้อสี่และหไปไว้เป็นข้อที่สมและสี่แล้วสมทานข้อหเว้นจากอบรมจรรันทร์คือการเสพการรม 3. ามตนมีภริยาสาวสี่คนจึงแจ้งให้นางทราบว่าตนสมทานสิกขาบทมีพระมจันท ร, ร์เป็นที่ห้า ผู้ใดปรารถนาจะอยู่ก็จงให้รับทำบุญไปหรือจะไปสู่ตระกูลญาติของตนหรือต้องการให้เรายกให้แก่บุรุษใดก็ได้พริยาคนใหญ่จึงแจ้งความประสงค์ให้ให้แก่บุรุษผู้มีชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ตนก็ให้ไปไม่มีใจผิดปกติสโภคทรัพย์ในตระกูลของตน คือเป็นของสาธารณะสำหรับผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม 5. เข้าไปหาภิกษุด้วยความเคารพ 6. ถ้าท่านแสดงธรรมตนก็ฟังโดยเคารพถ้าท่านไม่แสดงธรรมตนก็แสดงธรรมแก่ท่าน 7. มีเทวดามาบอกว่าพระผู้มีพระภาคตรัตธรรมะไว้ดีแล้วตนก็ตอบว่า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 ของอุคะคฤหบดีชาวหัตติคามในทํานองคล้ายคลึงกันรวมทั้งคฤหบดีอื่นว่าประกอบด้วยความอัศจรรย์เจ็ดประการโดยน้อยกว่าผู้อื่นหนึ่งข้อคือหัตถกัก์ชาวเมืองอาโลวีประกอบด้วยอริยาทรัพย์เจ็ดต่อมาตรัสสรรเสริญหัตถกัตร์อุบาศกว่าทรงเคราะห์บริษัทสี ด้วยสังหะวัตถุคือธรรมะเป็นที่ตั้งหรือเป็นเรื่องของการทรงเคราะห์สี่อย่างแล้วตรัสสรรเสริญว่ามีความอัศจรรย์แปดเพิ่มความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยตรัสแสดงเหตุที่ให้เป็นอุบาสกเป็นต้นแก่มหานามสักยะว่าถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะชื่อว่าเป็นอุบาสก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 ตรัแสดงกำลัง8ประการคือหนึ่งเด็กมีการร้องไห้เป็นกำลังสสตรีมีความโกรธเป็นกำลัง 3. โจรมีอาวุธเป็นกำลัง 4. พระราชามีอิสริย์ความเป็นใหญ่เป็นกำลัง 5. คนพานมีการเพ่งโทษผู้อื่นเป็นกำลัง 6. บัณฑิตมีการเพ่งโทษตนเองเป็นกำลังเจผู้สดับมากมีการพิจารณาเป็นกำลัง 8. สมณพราหม์มีขันติคือความอดทนเป็นกำลังหมายเหตุในส่วนของบัณฑิตมีการเพ่งโทษตนเองเป็นกำลังอธิกถาแก้ว่าบัณฑิตไม่ได้เพ่งโทษแบบคนพาน แต่เพ่งประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์พระสารีบุตรปราบทูลแสดงกำลังแปลประการของภิกษุผู้สิ้นอาสวะคือพระขีนาสพได้แก่ 1. เห็นด้วยดีซึ่งสังขารว่าไม่เที่ยงด้วยปัญญาอันชอบ 2. เห็นด้วยดีว่ากามเป็นเหมือนลุมทานเพลิงสา มีจิตน้อมไปสู่ความสงัดข้อสี่ถึงปคือเจริญสติปัฏฐานสี่อิธิบาทสี่อินรี่ห้าโคชงเจ็ดและอริยมรรคมีองค์แปด้วยดีตรัสแสดงขณะหรือสมัยอันไม่สมควรเพื่ออยู่ประพฤติปรมจันทร์แปดประการคือหนึ่งเกิดในนรกเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเกิดขึ้นแสดงธรรม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 และของผู้มีปัญญาเจ็ดข้อนี้พระอนุรุษท่านคิดได้พระผู้มีพระภาคตรัสเพิ่มเติมข้อสุดท้ายคือธรรมนี้ของผู้ไม่เนิ่นช้าพระอนุรุษปฏิบัติตามก็ได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์วัรคที่สชื่อทานวรค์ว่าด้วยทานการให้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 ให้ทานหวังกิตติศัพแปให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องประกอบจิตคือเพื่อให้จิตอ่อนควรแก่คณะธรรมะสูงขึ้นไปและตรัสแสดงทานวัตถุแปดอย่างคล้ายคลึงกันตรัสแสดงสมณพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยองค์แปดคือมีความเห็นผิดจนถึงมีความตั้งใจมั่นผิดส่วนในทางดี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 ไม่มีภาวนาเลยทำให้เกิดมีส่วนดีในมนุษย์สามทำทาและรักษาศีลมากแต่ไม่มีภาวนาเลยทำให้เกิดในเทพชั้นจาตุมหาราชข้อสี่ถึงปดทำทาและรักษาศีลมากแต่ไม่มีภาวนาเลยทำให้เกิดในเทพชั้นดาวดึงชั้นยามะชั้นดุสิตชั้นนิ ม, มานรดี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 รัสแสดงโทษของกายทุจริตสามวจีทุจริตสีและการดื่มสุราว่าถ้าทำให้มากเป็นเหตุให้ไปสู่นรกกำเนิดยรชานและอุมแห่งเปรตส่วนโทษอย่างเบาเฉพาะข้อมีดังนี้หนึ่งฆ่าสัตว์ทำให้มีอายุน้อยลักทรัพย์ทำให้โผขะพินาศประพฤติผิดในกรรม ทำให้มีเวรจากศัตรูพูดบททำให้ถูกกล่าวตู่พูดส่อเสียดทำให้แตกจากมิตรพูดคำหยาบทำให้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่น่าพอใจพูดเพ้อเจอ้อทำให้มีวาจาไม่มีใครเชื่อดื่มสุราเมรยัยทำให้เป็นบ้า วรที่หอุปโปสถทวักว่าด้วยการรักษาอุโบสถได้แก่เว้นจัดค่าสัตว์ลักทรัพ์เสพเมถุนพูดปดดื่มสุราเมรยัยกินอาหารหลังเที่ยงถึงรุ่งอรุณวันใหม่ฝอนรำขับร้องประโคมดูการเล่นทัดส่งดอกไม้ของหอมใช้ที่นั่งนอนสูงใหญ่หยัดนุ่นและสำลี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 การบริจาคและปัญญา